ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบนะสรุปว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนี้ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงคลเนี่ยเราย่อมกล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นถึงแม้เป็นผู้สำรวมแล้วประพฤติอยู่ในทิฐินั้นก็ข้ามซึ่งชาติและชาราไปไม่ได้ท่านนันทมานพ ก, ก็ทูลถามต่อไปว่า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 ข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์คือบุคคลที่ยกมากล่าวข้างต้นเนี่ยนะถ้าเขาไม่บรรลุไม่ไม่บริสุทธิ์เขาข้ามโอฆะกามโมฆะเป็นต้นไม่ได้อันแล้วยางงั้นนะ่ะใครข้ามได้อ่ะใครข้ามพ้นความเกิดและความแก่ไปได้ขอพระองค์สงเคราะห์อนุเคราะห์ตอบด้วยเถอะบางนันคำว่าที่พระองค์ตรัสถึงว่า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 วนเวียนอยู่ภายในทางสงสารเป็นไปตามชาติชราก็เล่นตามพญาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้ำหันไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุสโลกข้ามชาติชราไปได้ความว่า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 พราหมณ์นั้นถามว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนี้ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงคลคนหลายชนิดถ้าพระองค์ผู้เป็นมุนีตัดตัดพราหมณ์เหล่านั้นว่าข้ามโอฆะไม่ได้แล้วดังที่กล่าวไปสรุปว่าพระองค์เนี่ยปฏิเสธลัทธิเหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยนะ ว่าเขาข้ามไม่ได้ข้าแต่พระองค์พูดเนรทุกเมื่อเป็นอย่างนี้บัดนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติและชาราไปได้แล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนนันทะเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อันชาติชาราห่อหุ้มแล้ว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 คำว่าเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อันชาติแต่ชราหุ้มห่อแล้วความว่าดูก่อนนันทะเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อ Dia> ันชาติและชราร้อยไว้แล้วหุ้มไว้แล้วคลุมไว้แล้วปิดไว้แล้วบังไว้แล้วครอบไว้แล้วเราย่อมกล่าวคือย่อมบอกย่อมทําให้ตื้นว่าสมณพราหมณ์เราใดละชาติชราและมรณะแล้ว ตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนให้ถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นมีอยู่คือไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดว่าทุกคนเนี่ยข้ามชาติชารามรณะไม่ได้ น, นะเพราะว่าผู้ที่บรรลุอรหัตตมัคเนี่ยนะตรัสรู้อรหัตตมัคแทงตลอดอริยสัตพ้นความเกิดและความแก่เนี่ยมีอยู่ว่างั้น ถามว่าผู้ที่ข้ามพ้นเหล่านั้นคือใครก็คือนรชนใดละแล้วซึ่งรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบศีลและวัดนี่นะคำว่าละในที่นี้หมายถึงละบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ไม่ให้ถึงความไม่มีแล้วซึ่งความหมดจดด้วยการเห็นคือไม่ได้ถือการบรรลุ ด, ด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยทราบด้วยศีลด้วยวัดนี่นะไม่ได้ถือเอาข้อปฏิบตัติอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านละไอข้อปฏิบัติแบบนั้นได้หมดแล้ว ทั้งละแล้วซึ่งมงคลหลายชนิดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเนี่ยนะมงคลเหล่าใดก็ตามเนี่ยท่านละบันเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความหมดจดหมดจดวิเศษบริสุทธิ์พ้นพ้ น, พนวิเศษพ้นรอบด้วยมงคลคือวัดและมงคลตื่นข่าวมากอย่างคําว่าเป็นผู้กําหนดรู้ตันหาแล้วเนี่ยนะตันหาก็กําหนดรู้ตันหาหกนะ คือรูปตันหาสัทธตันหาคันทตันหารสตันหาโพธะตันหาธรรมตันหาคำว่ากําหนดรู้ก็กําหนดรู้ด้วยปริญญา3กําหนดรู้แล้วซึ่งตันหาด้วยปริญญาสามคือด้วยยาตะปริญญาตีระนาปริญญาและปะหานาปริญญาถามว่ายาตะปริญญาเป็นไงนะก็คือนรชนย่อมรู้ชัดย่อมรู้ย่อมเห็นตันหาว่านี้รูปตันหา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 เพราะว่าตัณหานั้นมีเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยะเวทนาก็มีภาษะเป็นปัจจัยมันผู้ที่รอบรู้ตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมรมได้ก็เป็นผู้ที่กาหนดรู้เวทนารอบรู้เวทนาว่าเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพันรอบรู้ตัณหาพร้อมทั้งปัจจัยนะรู้ด้วยแม่ว่าว่าตัณหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบชาติชรามรณะต่อไป ัการรอบรู้ตันหาเนี่ยนะทั้งโดยปัจจัยและเป็นปัจจัยแกธรรมะอะไรโดยตลอดสายดังกล่าวไปเรียกว่ายาตะปริญญาส่วนตีระปริญญานี่เป็นไง น, นรชนทมตันหาที่ตนรู้แล้วอย่างนี้เนี่ยย่อมพิจารณาตันหาทั้ง 6.. ที่กล่าวไปเนี่ยคือพิจารณาตันหาโดยความเป็นของไม่เที่ยง พี่เรณาเหล่านั้นว่าเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลำบากเป็นความอาพาธเป็นของชำรุดเป็นเสนียดเป็นอุบาทเป็นของไม่สําราญเป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของวันไวเป็นของทําลายเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่มีที่ต้านทานเป็นของไม่มีที่เร้นเป็นของไม่มีสารณะเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนาตตาเป็นโทษ เป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นของไม่เจริญเป็นของมีอาสวะเป็นนางเพชฌฆาตเป็นธรรมะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเยื่อมานเป็นของที่มีชาติชรามรณะพยาธิเป็นธรรมดาเป็นเหตุให้เกิดโศกะปริเทวทุกขโทมนัดอุปาญาตเป็นของที่มีความเกิดมีความดับไม่ไม่ไม่น่าพอใจ มีแต่โทษตัวตัญหาเนี่ยไม่สามารถทำให้สลัดออกจากทุกได้การรอบรู้ตัญหาดังกล่าวไปนั่นแหละเรียกว่าตีรณะปริญญาส่วนปหานะปริญญาเป็นไห น, นรชนพิจารณาอย่างนี้แล้วละบันเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตัญหาสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันทราคะในตันหาใด ท่านทั้งหลายจงละฉันทราคะนั้นเสียเมื่อเป็นอย่างนี้ตันหานั้นจักเป็นธรรมะอันท่านทั้งหลายละแลว้วตัดรากขาดแลว้วทําไม่ให้มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าปะหานปริญญาละตันหานะว่าละตันหาในตันหาตัดฉันทราคะในตันหาหมดความเพลิดเพลินในตันหานี่นะนั่นเรียกว่าธรรมปริญญาสาม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 นรชนนั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีอาสวะผู้ที่ไม่มีอาสวะในที่นี้ก็เน้นที่พระอรหันตขีนาศพนี่นะว่าเราย่อมกล่าวว่านรชนใดกําหนดรู้ตันหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะนรชนเหล่านั้นแลข้ามโอกะได้แล้วความว่าเราย่อมกล่าวย่อมประกาศว่านรชนเหล่าใดกําหนดรู้ตันหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะนรชนเหล่านั้นเนี่ยข้ามโอซึ่งกามโอฆพโวคะ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 เราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อัญชาติและชราหุ่มห่อแล้วเราย่อมกล่าวว่านรชนใดละแล้วซึ่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบละแล้วในศีลในวัดละแล้วซึ่งมงคลหลายชนิดเนี่ยนะกำหนดรู้ตันหาด้วยปริญญาสามเป็นผู้ไม่มีอาสวะสี่ชนเหล่านั้นคือพระอรหันต์นั่นแลเป็นผู้ข้ามโอเะได้แล้วท่านทันนนันทกะมานพก็พอใจมาก ก็กล่าวว่าข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ย่อมชอบใจพระวาจานั้นอันพระองค์ผู้เป็นพระมเหสีคือผู้สแสวงหาธรรมใหญ่ตรัส ด, ดีแล้วเป็นธรรมไม่มีอุปธิแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่าใดละแล้วซึ่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้ทราบศีลและวัดทั้งปวงทั้งละแล้วซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งหมด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 คือทางแห่งถ้อยคําเทศนาอนุสนธิของพระองค์คําว่าอันพระองค์ผู้เป็นมเหสีก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นพระมเหสีคือสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งศีละขันใหญ่เนี่ยนะสมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุตติขันใหญ่วิมุตติญาทณทัศนะใหญ่พระองค์เนี่ยเป็นเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหา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 พระองค์ก็ยกซึ่งสติประฐานส ม, มรภัทฐานอิทธิบาทอินท ร, ะระียพละโพชงอริยมรรคใหญ่และก็อมะตะนิพานอันเป็นประมัตดที่ใหญ่หรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามเหสีก็เพราะว่าอันสัตว์ทั้งหลายผู้มีสักด์ใหญ่สแสวงหาเสาะหาสืบหาค้นหาว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดา ล่วงเทวดาคือยิ่งกว่าเทวดาประทับอยู่ที่ไหนพระนราสภะคือผู้องอาจประทับอยู่ณที่ไหนเงียดยังเรียกว่าพระมหสีเนี่ยนะนก็ชอบใจในคำที่พระมหสีเนี่ยตรัสบอกดีแล้วคือแสดงดีแล้วบัญญัติดีแล้วแต่งตั้งดีแล้วเปิดเผยดีแล้วทาให้ตื่นดีแล้วประกาศดีแล้วนั้นธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นเป็นธรรมะที่ไม่มีอุปธิ คำว่าอุปธิก็คือเป็นชื่อของกิเลสขันและอภิสังขารกิเลสก็กิเลสวัสดนะินั่นแหละขันก็วิปากวัฏอภิสังขารก็คือกรรมวัฏนี่นะอันธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นเป็นธรรมะที่ละอุปธิสงบอุปธิสละคืนอุปธิระงับอุป ธ, ปธิก็พระนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมที่ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมไม่มีอุปธิอันพระนิพพานที่พระองค์ตรัสแล้วเนี่ยนะสงบระงับอุปธิสงบระงับวัฏเนี่ยเป็นธรรมะดีจริงๆ ที่บอกว่าข่าพระองค์เห็นกล่าวกล่าวเช่นพระองค์เนี่ยนะว่านรชนเหล่าใดละแล้วซึ่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบละศีลละวัดละมงคลลายชนิดสิ้นตันหาอันนะเพราะว่ากําหนดรู้ตันหาด้วยปริญญา3คือด้วยยาตะปริญญาตีระนาปริญญาปหาณนะปริญญาเนี่ยนะเป็นผู้ไม่มีอาสวะสี่ที่เป็นพระอรหันตขีนาศเนี่ยนะแม้ข่าพระองค์ก็กล่าว กล่าวอย่างที่พระองค์ว่านะคือผู้ที่กําหนดรู้ตันหาผู้ไม่มีอาสวะนรชนนั่นแหละข้ามโอฆาความว่าแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวคือพูดว่านรชนใดกําหนดรู้ตันหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะนรชนนั้นนะเป็นผู้ข้ามซึ่งกามโอฆะพโวฆาทิถโขฆาวิโชฆะข้ามแล้วข้ามขึ้นแล้วข้ามออกแล้วล่วงแล้วก้าวล่วงแล้วซึ่งทางแห่งสงสารทั้งปวงเป็นผู้ที่ข้ามพ้นวัตตะได้อย่างแท้จริง